บทพระสังฆ ค, คุณทานองสรรพันยะสงใดสาวกสาสดารับปฏิบัติมาแต่องค์สมเด็จพระควรเห็นแจงจตุสั์เสร็จบันลุทางที่อันระ ง, งับแลว ทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสรตรยปัญญาพองใสสะอาดและปราดมัวมองหันห่างทางขาศึกปองบ่มีลำพองด้วยกายและวาจาใจเป็นเนื้อหนา บุญอันไพศานแด่โลกายและเกิดพิบุ ญ, ญพูนพนสมยาเอารถทศพนมีคุณอนุนอเนกะนบเบื้อตรา ประดุดรำพันด้วยเดชบุญคาอภิวรนพระไตรรัรรอันอุดมดีเรกมีระไซทงช่วยขจัดพอยภัยอันตรายใดๆจงดับและกลับเสื่อม